เป็นภาษาบาลีศึกษามาจากภาษาสนันสกฤตว่าศึกษามาเป็นภาษาไทยว่าศึกษาอันมีความหมายรวมทั้งการเรียนทั้งการปฏิบัติ ยังไม่รู้ก็เรียนให้รู้ยังไม่ปฏิบัติก็ปฏิบัติคือว่าเริ่มตั้งแต่เรียนให้รู้และเมื่อเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติรวมเข้าในคําว่าศึกษาในทางพุทธศาสนาม่ได้มีความหมายว่าเราเรียนอย่างเดียว ดังที่มักเข้าใจกันในภาษาไทยศีลและศิกราศึกษาในศีลก็คือเรียนให้รู้จักศีลและปฏิบัติในศีลทำศีลให้มีขึ้นมาให้เป็นขึ้นมา จิตสิษาศึกษาจิตก็คือเรียนให้รู้จักวิธีปฏิบัติอบรมจิตและก็ปฏิบัติอบรมจิตซึ่งในขั้นนี้มีความหมายแค่ให้จิตเป็นสมาธิ หรือให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญาสิกขาศึกษาในปัญญาก็เรียนให้รู้จักวิธีปฏิบัติอบรมปัญญาและก็ปฏิบัติอบรมปัญญาให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นมาเมื่อเรียกว่าสิกขาในข้อสมาธิ ไม่เรียกว่าสมาธิสิกขาแต่เรียกว่าจิตสิกขาซึ่งก็มีความหมายเฉพาะการปฏิบัติในขั้นสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วสิกขาทั้งสามนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้สำหรับเป็น ข้อปฏิบัติกล่าวโดยย่อและก็ได้ตัดเอาไว้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติกันเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด จึงจะเป็นอันว่าจบศึกษาหรือว่าจบศึกษาการศึกษาในทางโลกนั้นก็มีกำหนดชั้นว่าจบชั้นนั้นชั้นนี้เช่นจบประถมศึกษา จบมัธยมศึกษาจบอบรมศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้นการศึกษาก็มีจบแต่ว่าจบศึกษาของพุทธศาสนานั้นจบในเมื่อปฏิบัติในไตรศิกขา ดังกล่าวจนบรรลุวิบุตรคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นดังที่กล่าวว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองและเมื่อได้บรรลุวิมุติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นแล้วจึงเรียกว่าจบศึกษา เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนายังได้มีการแบ่งผู้ศึกษาไว้ดังนี้คือผู้ที่ปฏิบัติพุทธศาสนา ปฏิบัติในไตรสิกขาโดยย่อดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแต่ว่ายังไม่บรรลุมรรคผลตั้งแต่ในขั้นตน้นเรียกว่า เนวันเสขานาเสขะคือเป็นผู้ศึกษาก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่ไม่ศึกษาคือจบศึกษาแล้วก็ไม่ใช่คือยังไม่จัดว่าเป็นเสขะ ผู้ศึกษาหรือนักศึกษาสําหรับจบนั้นยังไม่ต้องพูดแต่ว่าชื่อที่เรียกเอากาวรวมเข้ามาด้วยว่าเป็นเสขะคือผู้ศึกษาก็ไม่ใช่เป็นอเสขะคือผู้ไม่ศึกษาคือจบศึกษาก็ไม่ใช่และเมื่อได้ปฏิบัติไปจนบรรลุ มรรคผลตั้งแต่ขั้นตน้นจนถึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรร ก, ก็เรียกว่าเป็นเสขะคือเป็นผู้ศึกษาหรือเป็นนักศึกษาเมื่อบรรลุ อรหัตตผลแล้วจึงจะเรียกว่าอาเสขะภูที่มิใช่ศึกษาคือเป็นภูที่จบการศึกษาแล้วและก็เรียกว่าเป็นภูที่เสร็จกิจ ได้มีกรรยาณะคือกิจที่พึงทําเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์อันได้ทําเสร็จแล้วจึงเป็นผู้ที่เสร็จกิจที่จะพึงกระทําเพื่อละกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นเป็นผู้จบศึกษาเพราะฉะนั้นการจบศึกษาในพุทธศาสนานั้น จึงกำหนดด้วยการที่ปฏิบัติในไตรสิกขาจนบรรลุวิมุตต์คือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิน้นเป็นขีณาสวะคือเป็นภูที่มีอาสวะสิ้นแล้วแต่ว่าก่อนที่จะได้จบศึกษา ก็จะต้องศึกษาต้องเราเรียนให้รู้และก็ต้องปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆขึ้นไปยิ่งๆขึ้นไปแม้ว่าในขณะที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเบื้องตน้นท่านจะไม่เรียกว่า เป็นผู้ศึกษาหรือเป็นนักศึกษาก็ตามแต่ว่าก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เริ่มปฏิบัติอยู่มาพิจารณาว่าทำไมท่านจึงไม่เรียกผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่แม้ว่าจะไม่บรรลุ บางผลมึ่งตนว่าเป็นเสขะคือเป็นผู้ศึกษาหรือเป็นนักศึกษาทั้งนี้ก็เพราะว่าคําว่าภูศึกษาหรือนักศึกษาอันเรียกว่าเสขะในพุทธศาสนานั้นจะต้องเป็นภูปฏิบัติที่เข้าทางที่ชอบ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้คือเข้าทางศีลเข้าทางสมาธิเข้าทางปัญญานั่นเองถ้าหากว่ายังปฏิบัติเข้าทางบ้างไม่เข้าทางบ้างก็ยังไม่ควรจะเรียกว่าเป็นผู้ศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติหรือเรียกว่าเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาเพราะยังมีโอกาสที่ปฏิบัติไม่เข้าทางพุทธศาสนาเมื่อปฏิบัติไม่เข้าทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติพุทธศาสนาหาได้ไหมบรรดาภูที่ยังเป็นสามัญชน หรือเรียกว่าเป็นบุตุชนอยู่นั้นก็ยอมจะปฏิบัติเข้าทางบ้างไม่เข้าทางบ้างในขณะที่ได้มีสติได้มีปัญญาคอยระมัดระวังคอยฝึก คอยคมกิจใจอยู่ก็ยอมจะปฏิบัติเข้าทางศีลเข้าทางสมาธิเข้าทางปัญญาในพุทธศาสนาได้แต่ในขณะที่ขาดสติสำหรับที่จะระมัดระวังขาดปัญญาที่จะฝึกใจคมใจของตนเองยอมปฏิบัติ ออกนอกทางพุทธศาสนาได้ยังประพฤติละเมิดศีลได้ยังมีจิตใจเป็นไปตามอำนาจของกิเลสกองราคะหรือโลภะบัง กองโทสะบ้างกองโมหะบ้างหรือยังเป็นไปตามอำนาจของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากในจิตใจของตนเองก็แปลว่าจิตใจออกนอกทางยังมีความคิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องผิดจากทํานองครองธรรมได้เพราะฉะนั้น ในขณะที่เป็นดังนี้ก็เรียกว่าปฏิบัตินอกทางพุทธศาสนานอกทางศีลนอกทางสมาธินอกทางปัญญาจึงไม่อาจจะเรียกว่าเป็นเสขะคือเป็นภูที่ได้ปฏิบัติพุทธศาสนาเพราะข้อที่ปฏิบัตินั้นไม่เข้าทางพุทธศาสนา ไม่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามั ญ, ญชนหรือที่เรียกว่าบุถุชนก็ย่อมเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านยังไม่ยอมเรียกว่าเป็นเสขะผู้ศึกษาหรือเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาส่วนท่านที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงมรรคผลตั้งแต่เบื้องตน้น ดังที่ได้เรียกว่าเป็นโสดาบันบุคคลที่แปลว่าเป็นผู้เข้าสู่กระแสธรรมแล้วย่อมจะมีความปฏิบัติไม่ออกนอกทางศีลและโดยเฉพาะก็คือศีลห้าศีลห้าจะบังเกิดมีขึ้นเป็นธรรมชาติธรรมดา ของท่านผู้ที่มีจิตใจเข้ากระแสธรรมแล้วไม่มีที่จะคิดล่วงละเมิดศีลห้าจิตใจที่จะคิดล่วงละเมิดศีลห้าก็ไม่มีก็เป็นอันว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจก็เข้าศีลห้าจิตใจก็เข้าศีลห้าไม่มีที่จะคิดละเมิอดออกไป ความรู้ความเห็นก็ยืนยันรับรองในศีลห้าไม่มีความคิดที่จะละเมิดไม่มีความรู้ความเห็นที่จะผิดออกไปเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่าเป็นเสขะคือเป็นผู้ศึกษาเ ป, นนกเป็นนักศึกษาได้เพราะว่าไม่มีที่จะปฏิบัติออกนอกทาง ศีลทางสมาธิทางปัญญาในขั้นตั้งแต่ขั้นศีลห้านี้ขึ้นไปและก็จะมุ่งหน้าโดยกระแสธรรมนี้จะนำไปสู่ภูมิขั้นที่สูงสูงยิ่งขึ้นไปไม่มีที่จะถอยหลังกลับจึงเรียกว่าเสขะคือเป็นผู้ที่ศึกษาหรือเป็นนักศึกษาในพุทธศาสนาแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่า ท่นแบ่งไว้ดังนี้แบ่งไว้ตามขั้นตอนของการปฏิบัติผู้ที่จะเป็นอเสขะคือจบศึกษาก็จะต้องมาจากเสขะคือเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้ศึกษาผู้ที่เป็นเสขะนั้นเล่าก็จะต้องมาจาก ขั้นที่ยังไม่ใช่เสกขะคือไม่ใช่นักศึกษาคือเป็นผู้ที่เริ่มต้นอย่างที่สามัญชนทั่วไปได้กัดปฏิบัติกันนี่แหละตรงเริ่มต้นขึ้นจะขั้นอเสขะตรงเริมตรงเริ่มต้นขึ้นจะขั้นที่ไม่ใช่เสกขะและไม่ใช่อเสกขะ คือขั้นสามัญชนนี้เองต้องเริ่มต้นขึ้นจากในขั้นนี้จะเรียกว่าในขั้นอนุบาลในขั้นประถมในขั้นมัธยมก็ได้เพราะแแวแม้วันในทางโลกเองที่เรียกว่านิสิตหรือเรียกว่านักศึกษานั้นก็มาเรียกในขั้นมหาวิทยาลายัย แต่ก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่เรียกว่านักศึกษาไม่เรียกว่านิสิตแต่เรียกว่านักเรียนนักเรียนอนุบาล น, นักเรียนประถมนักเรียนมัธยมมาเข้ามหาวิทยาลัยจึงจะเรียกว่านักศึกษาหรือเรียกว่านิสิตชั้นใดก็ดีในทางพุทธศาสนานั้นในขั้น ที่ปฏิบัติกันเบื้องต้นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นขั้นนักเรียนต่อเมื่อบรรลุมรรผลเบื้องตอน้นขึ้นไปจึงจะเรียกว่าเป็นนักศึกษาหรือผู้ศึกษาจนจบบรรลุวิมุตต์หลุดพ้นทํากิเลสละกองทุกข์ให้สิ้นไปในที่สุดแล้วจึงจะจบศึกษาก็อาจจะเทียบกันได้ดังนี้เพราะฉะนั้นแม้ในขั้นที่ น, นักเรียนถึงจะยังไม่ถึงนักศึกษาก็เป็นขั้นต้นอันเป็นขั้นสำคัญเพราะบรรดานักศึกษาทั้งหลายก็ต้องมาจากความเป็นนักเรียนก่อนน่แหละมาจากนักเรียนอนุบาล น, นักเรียนประถมนักเรียนมัธยมดังที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติกันอยู่นี่เองเพราะฉะนั้นในขั้นที่เป็นนักเรียน นี่จึงเป็นขั้นสำคัญอันจะนำไปสู่ขั้นสูงขึ้นไปก็คือในขั้นที่จะต้องฝึกปฏิบัติในศีลในสมาธิและในปัญญากันไปโดยลำดับนี้เองต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและจ้างใจทำควาสงบสืบต่อไป บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจน อ, นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค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 จะแสดงไตรสิกขาสีลศสิกขากิตตสิกขาปัญญาสิกขาหรือสีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอน ให้ปฏิบัติธรรมะที่ทรงสั่งสอนดังเช่นไตรสิกขาดังกล่าว อันที่จริงธรรมะที่ทรงสั่งสอนนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาที่ทุกๆคนต่างมีพื้น อยู่ในจิตใจของตนและโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่แปลว่าภูมีมณะคือใจ หรือความรู้สูงเป็นผลของกุศลซึ่งได้ประกอบกระทามาจึงได้มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ภูมีมณั ความรู้หรือใจสูงที่ว่าเป็นผลของกุศลคำว่ากุศลนั้นแปล ว, ว่ากิจของคนฉลาดโดยตรงความฉลาดนี่แหละ เป็นกุศลก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาจึงมีสัจาติปัญญาที่ว่าปัญญาที่ได้มากับชาติคือความเกิด มาพร้อมกับชาติคือความเกิดมนุษย์หรือคนจึงมีความรู้สูงมาแต่กำเนิดต่างจากสัตว์เดร้ยงลนทั้งหลาย เพราะฉะนั้นตั้งแต่บังเกิดมีสัตว์โลกมาในโลกนี้ก็ว่าได้มนุษย์ได้มีความเจริญต่างๆ ทั้งในด้านวัตถุทั้งในด้านจิตใจในด้านวัตถุนั่นก็มีความรู้ความฉลาดสามารถสร้างบานสร้างเมืองสร้างสิ่งต่างๆ อันอำนวยทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งเพื่อสร้างทั้งเพื่อทำลายกันดังที่ปรากฏในทางจิตใจก็มีความเจริญ ได้มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาเอกบังเกิดขึ้นในโลกก็จากหมู่มนุษย์นี้เองอันแสดงถึงมีความเจริญทางจิตใจถึงที่สุดสามารถปฏิบัติ ทำกิเลสและกองทุกข์ให้สิ้นไปได้ส่วนสัตว์นิดชานั้นเรียกว่าตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้ก็อยู่คงที่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่ ไม่มีความเจริญคืบหน้าเหมือนอย่างมนุษย์ที่มนุษย์เป็นดังนี้ก็เพราะอำนาจของกุศลโดยตรงก็คือสชาติปัญญาปัญญาที่ ได้มาพร้อมกับชาติคือความเกิด น, นี้เองคือธรรมะที่แปลว่าทรงไว้ คือเป็นสภาพที่ทรงไว้ทรงตัวเองคือทรงธรรมะเองโดยเป็นสัจจะคือความจริงอยู่ทุกการสมัย ดังที่เรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาและทรงภูที่ทรงธรรมะให้ทรงหรือดำรงอยู่ได้เช่นเดียวกับ ชีวิตซึ่งเป็นเครื่องทรงหรือดํารง